ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพเราก็มาเป็นกัลยาณมิตรกันแนะนำสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ในลักษณะสภาพที่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 เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปเราก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแลว้วความพัฒรากซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากได้พบไม่อยากได้เจอเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์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 คือมีความรักและก็มีความชังเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้จะเรียกว่าเป็นเทวทูตก็ได้เขามาบอกมาเตือนเราเราก็ควรจะพิจารณารับฟังเอาไว้รู้เอาไว้จะได้เตรียมตัวเตรียมที่เตรียมใจเพื่อจะไปเชิญว่ากับสิ่งที่เทวทูตเข้ามาบอกมาเตือนเรา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 แต่แม้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ยังแก้ไขได้ทันในตอนนี้ยังไม่สายเกินไปบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนี่เราก็ยังไม่แก่นะเราก็ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังไม่ตายเรายังมีความสุขดีอยู่บางท่านอาจจะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไ ร, รเราสามารถที่จะสั่งสมเอาไว้ก่อนได้เมื่อยังไม่เกิดกับเราเ ตัวเราเองยังไม่มีอาการแบบนั้นแต่ว่าเราลองสังเกตุคนใกล้ๆตัวเรานะเพื่อนของเราญาติมิตรหรือบุคคลอื่นที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เขามาบอกมาเตือนเราเหมือนกันนะให้เราพิจารณาดูดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้แต่เราก็สังเกตดูได้เมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกเป็นอย่างไรบุคคลนั้นเขาทนกับสภาพนี้ได้ไหม เมื่ความทุกข์บีบคั้นเราสังเกตความรู้สึกของเขาสังเกตดูดีๆแล้วก็มันน้อมาใส่ตัวเราเมื่อเขามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความทุกข์บีบคั้นเราลองน้อมาใส่ตัวเราว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรไนะ <c oughs> บางท่านก็เคยมาเยี่ยมมาเยียนมาปรึกษามาถามสภาพที่ผมเคยได้ประสบมาเขากลับไปบอกว่าถ้าเป็นเขานะ เขาทนไม่ได้หรอกเขาต้องฆ่าตัวตายคุณทนอยู่ได้อย่างไรไถ้าเป็นเขาเลยเขาต้องฆ่าตัวตายนี่เป็นความรู้สึกของเขานะเพราะนั้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเราลองลองเปลี่ยนเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเรานึกถึงว่าสภาพความทุกข์ที่นั้นเนี่ยเราทนได้ไหมเราจะหาทางออกได้อย่างไรอันนี้เป็นการฝึกหัดคิดฝึกหัดเอาไว้ว่าจะออกอย่างไรนะ ก็รว่าเตรียมตัวไว้ก่อนหาลู่ทางไว้ก่อนจะได้ไม่ประมาทเนี่ยถืว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณ า, นานแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเรายไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งเ่านั้นมันยังไม่ใกล้ตัวเราก็ตามเราก็อย่าประมาทต้องสั่งสมกุศลเอาให้มากๆการให้ทานการรักษาศีลก็ทาไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมบุญสูงสุดในทางพุทธศาสนา คือการภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนานี่แหละเพราะเป็นบุญสูงสุดการภาวนาเนี่ยถือว่าเราสามารถนําเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตที่ดําเนินไปด้วยการภาวนาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายไม่ไร้สาระตัวเรียว่าเป็นกําไรชีวิตก็ได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือ การนําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าจะต้องทําที่นูน้นที่นี้อย่างเดียวนะไม่ใช่การภาวนาเนี่ยถ้าเรานําเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็คุ้มค่าทําให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คือว่ารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเป็นการสั่งสมบุญ สั่งสมบุญได้ตลอดทั้งวันทุกครั้งที่เรารู้คือรู้สึกตัวเนีก็เป็นการสั่งสมบุญเอาไว้แล้วหนึ่งในจิตใจของเรารู้หนึ่งรู้สรู้สามรู้4ี่มากรู้เมื่อไหร่แล้วก็บุญก็มีโอกาสได้เต็มจิตเต็มใจเรายิ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาแล้วแล้ ว, ลวก็จะรู้ว่าเป็นยอดของบุญก็ไนดะ้ยอดบุญเหนือทุก เพราะว่าทําให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมบุญที่เกิดจากการภาวนานจะว่าเป็นยอดของบุญที่ให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยีย่ยมในที่ประจันวันเนี่ยเราจะควรมีสิ่งนี้ไว้คือการภาวนาอยู่หนึ่งๆรู้สึกตัวอยู่หนึ่งๆเนี่ยถือเป็นส่วนที่สําคัญมากถ้าออว่าเราสามารถ นำอาการเจรินสตินี่นะเอามาใช้ในยุบยามันนะให้ต่อเนื่องกันานานๆรู้เท่าทันในอาการของกายของจิตของใจรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือสิ้นลมหมดลมเมื่อไหร่ล้วก็เราจะพ้นจากปัญหาโดยสิ้นเชิงยิ่งเรา ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่นก็มันจะสิ้นปัญหาไม่ว่าในวัฏสงสารเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยการปล่อยวางนั้นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเราควรจะฝึกเอาไว้เมื่อเรายังไม่สิ้นลม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 ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการความโกรธความหงุดหงิดความเบื่ออึอัดขัดเคืองเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะควรจะมีสติรู้ทันมันแล้วก็ฝึกเทียจปล่อยวางมันซะะั่มคิดปล่อยวางก็ยังดีนะคิดปล่อยวางมันมาฝึกปล่อยวางเปลี่ยนอารมณ์เราเครียดเรื่องนี้รู้ทันเปลี่ยนไปทําสิ่งอื่นที่มันดีกว่าที่ทําให้เรา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 ที่จะปล่อยวางตัวเราของเราด้วยตัวตนที่สำคัญนะอัตราตัวตนยิ่งอัตราใหญ่ความทุกข์มันก็ใหญ่คือตัวตนใหญ่อัตราน้อยตัวตนน้อยทุกข์มันก็น้อยถ้าไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเลยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยทุกข์มันก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราอย่างยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ก็ไม่เป็นไร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 ถือว่าเป็นการสิทการเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปก่อนตายทำอย่างนี้ได้ไหมนะก็มันจะเป็นประโยชน์จะคุ้มค่ากับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรีว่าตายดีก็ไนดะ้ถ้าตายด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยถือว่าตายดีตายดีนั้นตายอย่างไรคือตายด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย สำคัญมากเลยว่าสภาวะจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่สำคัญมากถ้าจิตที่เป็นกุศลมีสติมีความสงบเมื่อไหร่แล้วก็สุขคติเป็นที่หวังได้แต่ถ้าตายด้วยจิตที่ฟุ้งส้านไม่สงบขาดสติอันนี้คือทุกคติเป็นที่หวังได้วัดกันต่อที่จิตสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีทองวินาทีสุดท้าย แตว่าเป็นสึกจริงพบก็วนะ่าได้วัดกันด้วยจิตตีสุดท้ายของชีวิตเี่สำคัญมากว่าคติเราเนยไปทางไหนใช่หไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าเราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่อย่างไร แล้วก็ไปอย่างนั้นยันจะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีชีวิตที่มีความสุขทําแต่บุญกุศลแล้วก็เจริญสติต่อนเนื่องอยู่เนื่งเนองอันนี้คือการใช้ชีวิตที่อยู่และตอนตายชีวิตก็จะไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุขมีความสงบมีสติใช่ไหมไปสู่สุปฏิไปดีแต่ถ้าเอาว่าาชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยบาปอกุศลสราสมแต่เรื่องกองกิเลสอันนั้นก็อยากได้ไอันนี้ก็อยากได้โลภหรือโกรธคนโน้นโกรธคนนี้หมุดหิดอึดอัดกัดเคืองพื้นฐานของจิตมีแต่ความทุกข์ขี้หมุดหิดขี้โกรธขี้โมโหแท้สร้าสมแต่กองกิเลสไม่เคยสร้างบุญสร้างบุญสรหลงลืมสติอยู่เนืองเนืองจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายใช่ไหมเมื่อเราตายไปเนี่ย มันก็ไปสู่ทางที่ไม่ดีสู่จิตใจที่มีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ความทุกข์เราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นแั่นสาคัญมากในชีวิตที่เป็นความเป็นอยู่นะต้องทำให้ดีเข้าไว้ให้มีความสุขให้มีสติเข้าไว้เราจะได้เป็นกําไรชีวิตนะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเทวทูตไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเทวทูต